การปฏิบัติธรรมในพุทธศาสนามันก็มีทั้งปฏิบัติที่กายกับวาจาแล้วก็ปฏิบัติที่ใจปฏิบัติที่กายและ ว, วาจานี่เราก็เรียกว่า ศีลปฏิบัติที่ใจหรือการบาเพ็ญทางจิตอันนี้ก็เรียกรวมๆ ว, ว่ากรรมฐานการบาเพ็ญทางจิตคือกรรมฐานก็มีอยู่สองอย่างเราคงได้ยินก็คือสมถกรรมฐานกับวิปัสสนากรรมฐานสมถานี่ปฏิบัติก็เพื่อจะให้สงบ แต่วิปัสสนาในปฏิบัติเพื่อให้สว่างคือเกิดปัญญาสมถะนี่สงบได้ก็เพราะว่าใช้วิธีการต่างๆเพื่อให้ละจากอารมณ์ที่ไม่พึงประสงค์หรือเราก็เรียกว่าอากุศลวิตกก็ได้วิปัสสนาปฏิบัติเพื่อให้สว่างสว่างด้วยวิธีเดียวคือการรู้หรือว่าการเห็น ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับจิตความรู้สึกนึกคิดต่างๆเกิดขึ้นก็ไม่ได้พยายามที่จะละมันอันนี้สำคัญนะไม่ได้พยายามที่จะละมันแต่ว่าก็เห็นมันอย่างเดียวเห็นอย่างเดียวโดยที่ไม่ไม่พยายามที่จะละแต่มันจะละไปเองก็เป็นเรื่องของเหตุปัจจัยคือเป็นเรื่องของสตินั่นเองมันจะเกิดขึ้นอย่างไรไม่าจะเป็นนิว อ, นอะไรก็ตาม ความง่วงหาหานอนความเศร้าโศกความดีใจความเสียใจก็เห็นอย่างเดียวหรือว่ารู้เมื่อมันเกิดขึ้นเมื่อรู้ว่ามันเกิดขึ้นบ่อยๆแล้วก็เห็นมันอยู่เรื่อยๆก็จะเห็นหรือว่ารู้ลักษณะของมันหรือรู้ความจริงเกี่ยวกับอารมณ์เหล่านั้นเห็นว่ามันมันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์ก็คือว่ามัน ไม่สามารถทนอยู่ในสภาพเดิมได้มันถูกบีบคั้นที่ต้องแปรเปลี่ยนอยู่เป็นนิดหรือว่าเกิดดับอยู่เรื่อยๆแล้วก็ไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่สิ่งที่เราจะบังคับบัญชาได้แล้วก็ไม่สามารถจะยึดว่าเป็นเราเป็นของเราได้อันนี้ก็คือปัญญาซึ่งเกิดขึ้นจากการที่ได้เห็นเห็นอยู่ บ, บ่อยๆแต่ว่าสมถะเนี่ยมันเป็นการปฏิบัติ โดยมุ่งที่จะละเพื่อให้เกิดความสงบตามม า, าการปฏิบัติแล้วก็ตามที่มุ่งให้ละอารมณ์เหล่านั้นอย่างเช่นที่พูดเมื่อวานนะว่าเมื่ออกุศลวิตกเกิดขึ้นก็ไปเอานิมิตอื่นเป็นอารมณ์เช่นกำลังเพี้ยง ก, กำลังกลุ่มใจกำลังโกรธก็เอาจิตมากาหนดที่ลมหายใจคือละจาก ความโกรธมาอยู่ที่ลมหายใจหายใจเขาลึกๆหายใจ ย, วยาวๆจนกระทั่งความโกรธมันหายไปความเครียดหายไป น, นี้เรียกว่าสมถะหรือเวลาเกิดการราคาขึ้นมานะเราก็มองมันพิจารณาโดยใช้หลักอาการสายสองคือกายคตาสติพิจารณาให้เห็นร่างกายว่ามันประกอบไปด้วย หัวใจตับปอดม้ามลำไส้อุจจาระปัสสาวะพิจารณาด้วยให้เห็นถึงอาการสายสองที่เขาเรียกว่าอสุพะอันนี้มันก็เป็นอสุพะได้นะเพราะว่าร่างกายถ้าเราเห็นเป็นร่างกายปกติเนี่ยมันก็อาจจะน่าอาจจะดูสวยงามนะแล้วก็น่าพึงพอใจน่าเข้าใกล้น่าสัมผัสแต่พอเราเห็นทะลุไปจนถึงปอดตับ ลำไส้มา้ามแล้วก็น้ำเหลืองอย่างเงี้ยความสวยงามกลายเป็นความไม่สวยงามขึ้นมาก็ทำให้จิตใจนั้นเปลี่ยนแปลงไปคือการมะละคะมันก็หดหายไปเพราะว่าความไม่สวยงามหรือว่าความหดทูมันเข้ามาแทนที่แล้วความนายมันเข้ามาแทนที่ อันนี้ก็เป็นสมถะได้เหมือนกันแม้ว่าจะเป็นการใช้มนสิการหรือโยนนิสโสมนสิการหรือการใช้ปัญญาเข้าไปพิจารณาเช่นพิจารณาเห็นถึงความไม่สวยงามของมันจะจุดหมายคือเพื่ออะไรถ้าจุดหมายคือเพื่อละละกรรมราคะหรือว่าสยบการมมาคะอันนี้ก็เป็นสมถะกรรมฐานแต่ถ้าพิจารณาเพื่อหเห็นว่าโอ ไอ้ร่างกายนี้ที่มันเป็นดุ้นเป็นก้อนเพราะมันเกิดขึ้นมาจากสิ่งต่างๆมาประกอบกันไอ้สิ่งที่เรียกว่าตัวตนของร่างกายนี้ไม่มีมันมันมีแต่องค์ประกอบต่างๆที่มารวมกันแล้วเราก็เรียกว่านี่คือร่างกายถ้ามองแบบนี้มันก็เป็นพิปัสนาได้นะแต่ส่วนใหญ่เราพิจารณากายคตาสติก็เพื่อให้รู้สึกว่าร่างกายนี้มันไม่สวยงามแล้วก็ทําให้การมราคะมันฝ่อลงไป การทำเช่นนี้ก็ถือเป็นสมถกรรมฐานแม้ว่าจะใช้มนสิกาหรือใช้ปัญญาเข้าไปพิจารณาก็ตามหรือว่าเราเกิดความโกรธขึ้นมาเนี่ยเราพิจารณาเห็นโทษของความโกรธว่าโกรธนี่มันไม่ดีอย่างไรบ้างอย่างที่ผู้ไว้เมื่อวานโกรธนี่มันทาให้เราทุกข์มันทําให้สุขภาพเราแย่ความดันขึ้นการพิจารณาหรือเห็นโทษของความโกรธเห็นแล้วก็เห็นโทษงของความโกรธ ก็ทำให้ความโกรธมันบันเทาอันนี้ก็ถือเป็นสมถะเหมือนกันแม้ว่าจะใช้ปัญญาเข้าไปช้าแรกเพื่อเห็นโทษของมันแต่ว่ามันเป็นความพยายามเพื่อที่จะละความโกรธเราถึงเรียกเป็นสมถะแต่ถ้ามันโกรธก็คือแล้วเราก็เห็นมันเห็นมันเฉยๆไม่ต้องทำอะไรกับมันเป็นเพียงแค่ผู้ดูผู้เห็นอันนั้นแหละคือขั้นต้นของวิปัสสนาเพราะว่า การที่เห็น บ, บ่อยๆเห็น บ, บ่อยๆเนี่ยโดยที่ไม่คิดจะไปทําอะไรกับมันมันก็ทําให้เราได้เห็นความจริงของอารมณ์นั้นของความโกรธนั้นชัดเจนขึ้นเรื่อยๆชัดเจนขึ้นเรื่อยๆการสมราธิกามมัธยานเนี่ยมันเป็นวิธีการซึ่งซึ่งประกอบไปด้วยวิธีการต่างๆมากมายบางครั้งก็ใช้อาศัยวิธีการที่เรียกว่าสมาธิคือเอาใจไปจดจ่ออยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ที่ไม่ใช่เป็นอกุศลวิตกเช่นลมหายใจหรือว่าเพ่งเทียนหรือว่าเดินกลางแดดมันร้อนธรรมยาตรามร้อนเหนื่อยก็ใจไปไปกำหนดอยู่ที่เสียงกลองอันนี้ก็คือวิธีการที่เราสมาธิคือการที่เอาใจไปกำหนดหรือปักอยู่ที่สิ่งใดสิ่งหนึ่งเพื่อที่จะละหรือลืมให้ความทุกข์ความเจ็บความปวดนั้นความเมื่อย พอลาไปบางอย่างมันก็หายไปเองเช่นความโกรธเนี่ยเราโกรธในเรื่องที่ผ่านไปแล้วและใจเราไปอยู่ที่อย่างอื่นแทนเช่นปอยู่ที่ลมหายใจหรือไปอยู่ที่การพิจารณาธรรมะพิจารณาและลึกถึงคุณพร ะ, พ, พ, ร ะ, ะรพุทธธรมะสง์พุทธนุสติธรรมานุสติสังขานุสติหรือพิจารณาให้เห็นว่าความโกรธไม่ดีอะไรบ้างแล้วมันก็หายไป อันนี้คือกระบวนการที่เราเรียกว่าสมถะสมถะนี้จะมีวิธีการต่างๆมากมายมีทั้งกระบวนการที่เราเรียกว่าใช้สมาธิคือเอาเจิตไปปักอยู่ที่สิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือใช้วิธีการที่เ ร, เรียกว่าปัญญาคือการพิจารณาให้เห็นโทษหรือว่าการมองในแง่ดีว่าเออที่เขาว่าเรานี่มันยังดีนะดีกว่าที่เขาจะทำร้ายเราการมองในแง่บวกและทาให้เรา เออไม่ทุกไปกับมันเงินหายเสียใจแต่พิจารณาว่าเออหายร้อยบาทดีกว่าหายพันบาทคิดอย่างนี้ได้ก็ไม่ไม่เสียใจแล้วอันนี้ก็สมถะเหมือนกันนะถึงแม้ว่าจะเป็นการใช้ปัญญาหรือการมองในแง่บวกหรือการมองแบบวิเคราะห์แยกแยะเพราะสมถะจุดหมายทั้งทั้งหลายทั้งปวงคือว่าเพื่อให้ละบางทีก็ลวมไปถึงวิธีการที่จะป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นเช่น ไปอยู่ในที่เงียบเงียบไม่เกี่ยวข้องกับใครเพื่อจะได้ไม่มีอะไรมากระทบจิตให้มันวุ่นวายนะอย่างที่มีเขาเปรียบเทียมกับลิงสาตัวปิดถูปิดตาพอไม่ได้ยินไม่ได้ฟังมันก็ไม่มีอากุศลวิตกที่จะเกิดขึ้นหรือมีขึ้นก็น้อยลงอันนี้ก็ถือว่าเป็นวิธีการส ม, มถะได้เหมือนกันวงรวมทั้งการหลับตาหลับตาอยู่ในห้อง ตามลมหายใจไม่ได้ยินไม่ได้ฟังอะไรนะใจก็สงบสงบเพราะส่วนหนึ่งเพราะไม่ได้รับรู้อะไรอีกส่ว น, นเพราะใจนี่มันไม่ว่างแล้วเพราะมันไปอยู่กับลมหายใจมันไม่ว่างที่จะฟุง้งมันไม่ว่างที่จะโกรธนะมันอยู่กับลมหายใจผูงา่าย ค, คือวิธีการที่จะป้องกันแล้วก็บันเทาแล้วก็ขจัดอกุศลลวิตตกที่เกิดขึ้น น, นั้นก็เกว่าสมถะหมดนะซึ่งตรงข้ามกับวิปัสสน า, าตรงข้ามในง่ที่ว่าวิปัสสนาไม่ได้พยายามที่จะหลบหรือพยายามที่จะละมันคือไม่หนีทุกข์อ่ะนะไม่หนีทุกข์ทุกมาก็ก็ไม่ปฏิเสธไม่ผักใสแล้วก็ไม่ฟุ้งไปตามหรือเผลอไปตามอาการของทุกข์นั้นด้วยโกรธก็ไม่ปรุงแต่งไปทําความโกรธ แต่ก็ไม่ผักสายมันแต่ว่าก็จะดูมันเห็นมันเฉยๆอันนี้เรียกว่าทําปฏิบัติตามอริยสัจข้อแรกเลยกินในอริยสัจข้อแรกคือเมื่อมีทุกข์เกิดขึ้นก็ให้รู้ทุกข์นะนี่คือวิปัสสนาไม่หนีและไม่พยายามที่จะละมันเมื่อเราเห็นบ่อยๆเห็นบ่อยๆสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าก็จะจดจําอาการ หรือที่เขาเรียกว่าสภาวะบางท่านเรียกว่าสภาวะจดจําสภาวะของอารมณ์เหล่านั้นได้การที่เห็นไปบ่อยให้ไปบ่อยให้ไปบ่อยก็จะจดจําได้เหมือนกันเราจะจดจําความรู้ข้อมูลเราก็ต้องทบทวนไปบ่อยอ่านบ่อยทบทวนบ่อยในเรื่องนั้นแหละก็จะจําได้เมื่อจําได้ก็จะเอามาใช้งานได้ไวหรือระลึกถึงได้ไว ตัวเราลึกถึงนี่คือสติอย่างเรานัดใครเอาไว้<ม>แล้วเราก็เราลึกถึงการนัดนั้นอยู่เรื่อยๆ<ม>นัดพรุ่งนี้นะบ่ายโมงเราก็ราลึกอยู่เรื่อยๆราลึกอยู่เรื่อยๆเราลึกอยู่เรื่อย ๆ, ก, อยอยๆก็จะจำได้พอถึงเวลาใกล้ๆสติมันก็มาเตือนทันทีอา้าวใกล้เวลานัดแล้วนะหรืออาจจะถึงเวลานัดแล้วก็ยังไม่รู้สติก็มาเตือนว่อาอ้าวตอนนี้ได้เวลานัดแล้ว ฉันแดกก็ฉันนั้นเวลาเราเราเห็นอารมณ์อยู่บ่อยๆเห็นอารมณ์อยู่บ่อยๆมันก็จะจําสภาวะของอารมณ์นั้นได้ไม่ว่าจะเป็นความง่วงความกลัวความเบือ่อความฟุ้งซ่านจําได้พอมันเกิดขึ้นสติก็ทํางานทันทีก็รู้ทันทีนะรู้แล้วสติก็ทําหน้าที่เป็นตัวละไปเองสติก็ทําหน้าที่เป็นตัวละไปเองเพราะจำได้นะอย่างเราปฏิบัตินี่เราเราก็ไม่ต้องทําอะไร เดินจงกรมนะก็เพียงแต่รู้รู้ความคิดที่เกิดขึ้นรู้บ่อยๆรู้บ่อยๆ่อยพอมันเกิดขึ้นมาอีกสติก็จําได้ก็ละมันไปทันทีนะอาศัยการทําอยู่เรื่อยๆทําอยู่ซ้ําๆทําอยู่บ่อยๆไม่ได้ใช้วิธีที่จะละมันด้วยการไปพิจารณาอะไรทั้งสิ้นเพียงแต่ว่ารู้อยู่เรื่อยๆรู้อยู่บ่อยๆจนจําสภาวะได้ แต่ขด้วกการที่รู้บ่อยๆรู้บ่อยๆเห็นบ่อยๆเห็นบ่อยๆก็จะทำให้เห็นลักษณะของมันเห็นความเป็นตายละของมันอยู่เรื่อยๆเป็นการเห็นโดยที่ไม่ต้องอาศัยการอ่านหรือการคิดแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่รู้สึกหรือว่าเห็นได้ด้วยใจเมื่อเห็นบ่อยๆเหม่บ่อยปัญญาก็เกิดขึ้นเพราะว่าได้เห็นความเป็นตายละของสิ่งเหล่านี้ ซึ่งก็จะนําไปสู่การที่จะละวางไม่ยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นเราเป็นของเราไม่ไปหัวปักหัวปัมกับมันเพราะคิดว่าอันนั้นคือของแท้ของจริงเพราะฉะนั้นวิปัสสนาเนี่ยกับสมถะเนี่ ย, ม, นนยมองข้างนอกเนี่ยมันอาจจะดูคล้ายกันก็คือว่านั่งเหมือนกันเดินเหมือนกันแต่การนั่งนั้นอาจจะนั่งเพื่อที่จะละไม่ได้นั่งเพื่อที่จะรู้อารมณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นตามลมหายใจแต่ตามลมแบบ ปักใจอยู่กับลมหายใจนะเพื่อที่ว่าจะได้ไม่แจมจะได้ไม่ฟุ้งซ่านไปทางอื่นหรือเพื่อที่ได้ละไออารมณ์โกรธที่กลุ่นอยู่ในใจอันนั้นก็จะเป็นสมถะแต่ตามลมหายใจตามเบาๆพอคิดฟุ้งซ่านก็รู้รู้แล้วพอมีสติก็ละมันไปก็กลับมาที่ลมหายใจหรือเดินจงกรมสร้างจังหวะนะถ้าเดินจงกรมสร้างจังหวะแต่เอาจิตไปปักอยู่ที่เท้า เพืที่มันจะได้ไม่คิดอะไรพราะ ถ, ถ้าจิตถ้าจิตไม่อยู่ที่เท้านี่มันฟุ้งไปอดีตบ้างอนาคตบ้างกลับไปบ้านบ้างการเอาจิตที่ปักไปที่เท้าหรือที่มือเวลาสร้างจังหวะอันนั้นมันเป็นสมถะไปแล้วหรือการไปเพ่งเพ่งความคิดเพื่อที่จะกันหรือดักความคิดเวลามันออกมาจะได้ตะปบมันไม่ให้มันฟุ้งไปยืดยาวอันนั้นก็เป็นสมถะนั่งเหมือนกันเดินเหมือนกันแต่ว่า การบันเป็นทางจิตธรรมต่างกันแต่บางคนนั่งหรือเดินก็ตามก็เพียงแต่รู้มันเฉยๆมันเกิดขึ้นก็รู้นะรู้แล้วสติก็จะทำหน้าที่ละมันเป็นการละโดยสติแต่ไม่ใช่เป็นความตั้งใจของเราที่จะละนะสติมันทำหน้าที่ของเขาเองแต่หน้าที่ของเราเมียงเดียวก็คือรู้รู้รู้ทุกครั้งที่เกิดขึ้นนะแล้วก็เมื่อถ้ารู้บ่อยๆมันก็จะไวขึ้นไวขึ้น แต่บางทีก็มีการเติมนะบางทีครูบาอาจารย์ท่านก็จะเติมเติมหรือเล่งนะเพื่อให้กิวิปัสสนาได้ได้เร็วเข้านะตั้งกันแน่ว่าให้พิจรารณาเป็นรูปเป็นนามแต่ไม่ใช่คิดเอานะไม่ใช่คิดเอาไม่ใช่คิดว่าเดินไปคิดว่านี่ที่เดินนี่คือรูปไม่ใช่ตัวเราที่เดินนี่คือรูปไม่ใช่ตัวเราอันนี้มันไม่ใช่แล้วมันมันสะกดจิตตัวเองแล้วล่ะ มันไม่ใช่เพ็นการไม่ใช่วิปัสสนาเพราะว่ามันใช้ความคิดมันไม่ได้ใช้ภาษาชาวบ้านเรือความรู้สึกไม่ได้อาศัยจิตเป็นตัวรู้สึกว่ามันเป็นรูปแต่ว่าไปใช้ความคิดเอาอันนั้นก็ไม่ใช่อันนี้ก็ให้เราแยกแยะให้ดีแต่ก็ไม่ห ม, มายความว่าสมถกรรมฐานไม่ดีนะพระพุทจาก็ก็ได้แนะอยู่นะบางทีก็ต้องใช้สิ่งนี้บ้างอย่างที่พูดไว้เมื่อวานเนี่ย ที่พูดเมื่อวานนี้ว่าวิธีการละกุศลวิตกต่างๆเนี่ยนั่นคือสมถกรรมฐานนั่นเองเป็นส่วนใหญ่คูเจ้าก็ตันอีกที่หนึ่งว่าการที่เราจะละอาสวะได้มันละได้หลายอย่างละโดยยานทัศนะก็ได้ละด้วยการบริโภคก็ได้เช่นหิวแล้วก็กินข้าวหนาวก็ห่มเสื้อผ้าอันนี้ละโดยการใช้สอยหรือละ้วยการบริโภคละด้วยการบรรเทา อย่างเช่นมันร้อนกอ็ติดม่านซะหรือว่าเอาพัดลมมาเป่าอันนี้เรียละด้วยการบันเทาหรือละด้วยการละเว้นนะเช่นแต่ส่องมาตรงนี้เราก็ขยับไปที่ที่ล่มหน่อยอันนี้ก็ใช่เหมือนกันหรือละด้วยการอดกลั้นนะเช่นมันเจ็บมันปวดก็ทนเอาหรือละด้วยนะอินทสียสังวรคือการมีสติ รักษาใจให้ให้ให้เป็นปกติไม่ว่าตาหูจมูกลิ้นกายจะรับอะไรก็ตามน้าพอใจไม่นาพอใจก็ตามก็รักษาใจให้เป็นปกติาการละอาสวับทำได้หลายอย่างนะซึ่งก็เป็นสิ่งที่ดีทั้งนั้นแต่ว่าถ้าเราจะจะเจริญกรรมฐานรทววิปัสสนาเราก็ต้องจับหลักให้ได้ว่ามันคืออะไระในทางพุทธศาสนาก็ถือว่า ะละทุกได้อย่างที่สุดต้องวิปัสนาละโดวยวิปัสนาเพราะว่าปัญญาที่เกิดขึ้นคือความรู้ความเข้าใจในไตรลักษณ์อันนี้เป็นสิ่งสําคัญที่จะช่วยทําให้พ้นพนทุกนะได้อย่างแท้จริงส่วนสมถะเนี่ยนะมันช่วยให้เราละอากุศลวิตกละความทุกได้แต่ว่ามันเป็นของชั่วคราวนะเช่นเวลาโกรธพอใจมาปักอยู่ที่ลมหายใจ มันก็หายไปแต่ที่ว่าโกรธใหม่ได้ถ้าใจไม่มีสติรือว่าใจไม่มีปัญญาที่จะไปเห็นว่าไอสิ่งที่เราคิดว่าเป็นตัวเป็นตนนั้นมันไม่มีอะไรมากระทบอัตตาก็ทำอะไรเราไม่ได้เพราะว่ามันไม่มีตัวตนที่จะทุกข์ตั้งแต่แรกแต่ถ้าไม่เห็นตรงนี้เนี่ยมันก็ทุกข์มันต้องโกรธอยู่เรื่อยก็เรียกว่าหินทับยาคือว่าเวลาทําสมาธิก็โกรธก็หายไปแต่เวลาเลิกทํา ตากระทบลูปหูที่ดยินเสียงที่ไม่น่าพอใจโกรธใหม่นะสมถามันก็เปลี่ยนมันหินทับยาแต่ว่าในขณะที่เรายังไม่บรรลุธรรมเราก็ต้องใช้สิ่งเหล่านี้อยู่เป็นครั้งเป็นคราวเพื่อที่จะละละอกุศลวิตกนะเพื่อที่จะไม่ทำให้เรามีความทุกข์แต่ก็อย่าไปติดอยู่กับตรงนั้นแล้วนะคนส่วนใหญ่ก็พอใจสงบแล้วก็สบายนะก็เลิกเลิกที่จ ะ, ะปฏิบัต ต่อไปไม่เห็นว่าวิปัสสนาสําคัญก็เลยทุกอยู่เรื่อยๆนะกิเลกก็ยังมากอยู่เรื่อยๆถ้าเราเข้าใจความแตกต่างวิปัสสนาแล ะ, และสมถะเราก็เอาสองอย่างนี้เข้ามาเสริมกันเพื่อการปฏิบัติของเราได้จเจริญก้าวหน้าแต่ว่าอย่าลืมเอาวิปัสสนาเป็นหลักคือการรู้อารมณ์อยู่เรื่อยๆรู้อยู่บ่อยๆรู้อยู่บ่อยๆโดยพี่ไม่ต้องไปคิดพยายามที่จะหาทางละมันอยู่เรื่อย ถ้าเรารู้รู้รู้นะไม่กลัวที่จะรู้ทุกไม่กลัวที่จะเจอทุกเอาทุกมาเป็นอุปกรณ์ในการรู้ทมอันนั้นแหละมันก็ช่วยทำให้เราจเจริญก้าวหน้าไปได้เร็ว